บทที่3การตามรู้จิตวิธีการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายและหลัดสั้น 1. คําคำสอนของหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์กล่าวกับศิษย์ผู้หนึ่งเมื่อ23กุมภาพันธ์2525ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากจะยากเฉพาะ ผู้ไม่ปฏิบัติเท่านั้นคำกล่าวนี้ไม่ใช่คำปลอบใจผู้เริ่มฝึกปฏิบัติธรรมแต่เป็นความจริงที่ตรงไปตรงมาอย่างยิ่งกล่าวคือการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ยากเพียงมีความรู้สึกตัวอยู่เนืองๆแล้วตามรู้กายตามรู้ใจไปอย่างธรรมดาธรรมดาหมายเหตุคำว่าตามรู้ในที่นี้ หมายถึงให้รู้ตามความเป็นจริงคือกายมีอาการอย่างไรก็รู้จิตมีอาการอย่างไรก็รู้ตรงกับคำว่าอนุปัสนาในมหาสติปฐานสูตรไม่ใช่ให้ส่งจิตถลําตามสิ่งที่ถูกรู้ไปแล้วจะเห็นความจริงเองว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรา แล้วจิตจะค่อยคลายความยึดถือกายและจิตไปตามลาดับจนเข้าถึงความปล่อยวางว่างผ่องใสไรขอบเขตพ้นจากความปรุงแต่งและพ้นจากทุกนหนที่สุดแต่ถ้าไม่ปฏิบัติคือไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ตามรู้กายไม่ตามรู้ใจเอาแต่คิดหาวิธีปฏิบัติหรือพยายามจะปฏิบัติทาอย่างนั้นอย่างนี้ ก็จะรู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องที่ยากจริงๆเพราะไม่มีวันจะเข้าใจการปฏิบัติได้เลยหลวงปู่ดูลสอนสิบผู้นั้นต่อไปอีกหลังจากนิ่งพิจารณาอยู่เกือบชั่วโมงว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองที่ท่านให้เริ่มต้นปฏิบัติ ด, ด้วยการดูจิตก็เพราะท่านพิจารณาเห็นว่า เหมาะสมกับจริตนิสัยของสิทธิ์ที่เป็นพวกชอบคิดชอบศึกษาซึ่งกะสอดคล้องกับคำสอนในอัตรกถามหาสติปฐานสูตรที่ว่ากายานุปัสนาสติปฐานและเวทนานุปัสนาสติปฐานเหมาะสมกับผู้มีตัณหาจริตส่วนจิตตานุปัสนาสติปฐานและธรรมานุปัสนาสติปฐานเหมาะสมกับผู้ที่มีทิฏฐิจริต 2. หนึ่งในพยานคำสอนของหลวงปู่มีตัวอย่างที่เป็นพยานยืนยันคำสอนของหลวงปู่ที่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอยู่หลายรายเช่นมีผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งขายเต้าหู้อยู่ที่ตลาดท่าเรือเธอมีความทุกข์ความกังวลในชีวิตครอบครัวมากต้องเที่ยวปรับทุกข์กับผู้อื่นอยู่เสมอต่อมา เธอได้ภาคเพียนมาฟังธรรมเป็นประจำโดยไม่เคยถามอะไรเลยเพราะไม่ทราบว่าจะถามอะไรดีเนื่องจากไม่รู้อะไรสักอย่างมาแล้วก็หลบมุมนั่งเงียบๆอยู่หลังศาลาฟังธรรมบ้างฟังการตอบปัญหาที่ผู้อื่นถามบ้างฟังไปนานเข้าจิตก็เกิดความรู้สึกตัวสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีมีสติสัมปชัญญะอยู่หนืองเนือง จิตผ่องใสหน้าตาก็ผ่องใสจนผู้คนถามว่าทำได้อย่างไรเธอตอบว่าฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันฟังทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำได้เองแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกจิตเขาทำของเขาเองฉันก็แค่คอยรู้ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองเวลานี้คนอื่นกลับต้องมาปรับทุกข์ให้เธอฟังบ้างแล้ว ที่สำคัญก็คือบรรดานักถามปัญหาธรรมะทั้งหลายที่เธอมานั่งฟังเขาถามนั้นส่วนมากก็ยังปฏิบัติไม่เป็นอยู่เหมือนเดิมแท้จริงเธอเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาก็เพราะเธอไม่คิดมากคือไม่คิดว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรจะลงมือทำได้อย่างไรและทำแล้วจะมีผลอย่างไรเมื่อได้รับคำแนะนำว่า ให้ตามรู้ความรู้สึกเรื่อยไปเธอก็สังเกตจิตใ จ, จตนเองเสมอๆจิตเขารู้สึกอย่างไรก็รู้ไปตามนั้นแล้วก็เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเป็นเพียงอะไรบางอย่างเธอเรียกไม่ถูกว่ามันคือ น, น้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวเราและบังคับไม่ได้เธอเห็นอยู่เพียงเท่านี้เอง โดยไม่หลงเข้าไปแทรกแซงหรือแก้ไขอาการของจิตแล้วความทุกข์ทางใจที่เคยมีเป็นภูเขาเลากาก็ค่อยสลายตัวไปจิตใจมีความอิ่มเอิบเบิกบานในธรรมเพราะสามารถปล่อยวางความรู้สึกต่างๆของได้เป็นลำดับในขณะที่ผู้คิดมากถามมากฟังธรรมมาหลายปีก็ยังปฏิบัติไม่เป็นเพราะไม่ได้ลงมือปฏิบัติ คือไม่ลงมือตามรู้กายตามรู้ใจเสียทีบุคคลเหล่านี้จะรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมช่างเป็นเรื่องยากเย็นสิละเกินตรงกับที่หลวงปู่ดูลท่านกล่าวว่ายากสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติคื อ, อยากสําหรับนักคิดนักถามและนักเพ่งนักจ้องแต่ไม่ยากสําหรับนักตามรู้กายและนักตามรู้ใจ 3. การตามรู้จิต เป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายการตามรู้จิตใจของตนเองเป็นเรื่องเรียบง่ายไม่มีขั้นตอนหรือวิธีการใดๆเป็นพิเศษเลยเพียงแค่รู้ความรู้สึกเข้าไปตรงตรงคือจิตใจมีความรู้สึกอย่างไรก็รู้ไปตามนั้นเช่นจิตรู้สึกมีความสุขก็รู้จิตรู้สึกมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉย ก็รู้จิตมีโลภคือรู้สึกโลภใครรักห่วงห่วงก็รู้จิตมีโทสะคือรู้สึกโกรธหงุดหงิดขุนข้องมองใจเกลียดกลัวกังวลอิจฉาพยาบาทก็รู้จิตมีโมหะคือฟุ้งซ่านหรือซึมเศร้าก็รู้จิตสงบ ปลอดโปรง่งพองสายเบิกบานก็รู้ตัวความรู้สึกทั้งหลายนั่นแหละคือธรรมอย่างหนึง่งเรียกว่านามธรรมาไม่ใช่ตัวเราเมื่อเห็นนามธรรมานามธรรมาก็แสดงธรรมให้ดูคือเขาจะแสดงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปให้ได้เห็นเมื่อเห็นมากเข้าจิตใจก็เริ่มปล่อยวางความรู้สึกต่างๆซึ่งไม่ใช่ตัวเรา หรือของเราลงได้คือความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายกุศลเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีและอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายจิตใจเข้าถึงความเป็นกลางในสิ่งทั้งปวงตรงกับที่หลวงปู่เทศเทสรังสีวัดหิน ม, มักเป้งจังหวัดหนองคายกล่าวว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลาง จะพ้นจากทุกทั้งปวงอันหนึ่งเมื่อหาัตามรู้นมามธรรมอย่างนี้ก็จะปล่อยรู้จักและตามรู้รูปธรรมคือกายได้ด้วยเพราะกายกับจิตเป็นของคู่กันเมื่อรู้กายได้ก็รู้จิตได้และเมื่อรู้จิตได้ก็รู้กายได้หรือรูปกับนามนี่แหละคือธรรมะที่ต้องตามรู้เขาคือกายอยู่ในอาการอย่างไรก็รู้ว่า รูปอยู่ในอาการอย่างนั้นทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ไม่ได้ปฏิบัติต่างก็รู้จักความรู้สึกทางใจด้วยกันทั้งนั้นความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติมีไม่มากคือผู้ไม่ปฏิบัติมีความรู้สึกใดๆขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ถึงรู้ก็รู้ตามหลังนานๆเช่นโกรธไปเมื่อวานมาวันนี้เพิ่งนึกได้ว่า เมื่อหวานนี้โกรธเป็นต้นส่วนผู้ปฏิบัติเมื่อมีความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นมาขั้นเสก่อนเช่นพ่อโกรธก็ตามรู้ได้ว่าจิตก่อนหน้าที่จะรู้ทันนี้กำลังโกรธอยู่หลักของการปฏิบัติมีอยู่เพียงแค่ว่าจิตใจมีความรู้สึกอย่างไรก็ตามรู้ไปตามนั้นเท่านั้น โดยไม่ต้องทําอะไรก่อนจะรู้ระหว่างรู้และรู้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปอีกเช่นไม่ต้องดักดูไว้ก่อนว่าเมื่ อ, อไรจะโกรธไม่ต้องพยายามห้ามหรือป้องกันไม่ให้โกรธและเมื่อโกรธแล้วก็ไม่ต้องอยากและพยายามทําให้หายโกรธเร็วๆ เ, เ, เพียงรู้ว่านามธรรมาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นก็พอแล้ว สำหรับอารมณ์ในฝ่ายที่น่าพอใจก็ไม่ต้องอยากให้เกิดขึ้นไม่ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นและถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพยายามรักษาเอาไว้ให้ตามรู้ไปตามความเป็นจริงเช่นเดียวกับอารมณ์ที่ไม่น่าพึงใจนั่นเองการตามรู้จิตนี้แม้เบื้องต้นจะเป็นเพียงแค่การตามรู้ความรู้สึกซึ่งจะทำให้เรารู้จักตัวสภาวะหรือความรู้สึกชิดต่าง และจะเห็นว่าตัวสภาวะทั้งหลายมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ก็ตามแต่เมื่อปฏิบัติมากเข้าก็จะได้รู้และเข้าใจถึงกระบวนการทำงานหรือการกระทำของจิตหลวงปูดูลท่านเรียกว่าพรึดของจิตซึ่งมีสองชนิดได้แก่ 3.1 การทำงานตามปกติของจิตคือการรู้อารมณ์ โดยไม่เจือด้วยเจตนาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเช่นการรู้รูปการรู้เสียงการรู้กลิ่นการรู้รสการรู้การกระทบสัมผัสทางกายและการรู้อารมณ์ทางใจเป็นต้น 3.2 การทำกรรมของจิตหรือจะเรียกว่าพฤติกรรมของจิตก็ได้ ขอให้สังเกตว่าผู้เขียนใช้คำที่ต่างกันระหว่างพฤติของจิตกับพฤติกรรมของจิตคือการทำงานที่เจอด้วยเจตนาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วพระปริยติธรรมเรียกจิตที่ทำหน้าที่นี้ว่าชวนาจิตสำหรับการกระทำกรรมเรียกว่าภพซึ่งภพนั้นมีตัณหาหรือความอยากเป็นปัจจัยส่งทอดให้เกิด คอยกตัวอย่างสักเล็กน้อยเช่นเมื่อลืมตามมองออกไปข้างหน้าแล้วได้เห็นรูปบางอย่างโดยไม่ได้มีความอยากหรือเจตนาที่จะเห็นแต่เพราะมีรูปมีตาและมีจิตหรือความรับรู้เกิดขึ้นทางตาจึงมองเห็นรูปอย่างนี้เรียกว่าการทำงานตามปกติแต่ถ้าเจตนาจะดู ด้วยความอยากที่จะชมถิวทัศน์ที่สวยงามแล้วหันไปดูอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำกรรมโดยเบื้องต้นเป็นการทำกรรมทางใจคือตกลงใจจะดูด้วยกำลังผลักดันของความอยากเห็นรูปแล้วกายก็เกิดอาการดูตามคำสั่งของจิตคือทำงานทางกายเมื่อดูแล้วจิตพิจารณารูปว่าคือรูปอะไรนั่นคือทางานทางใจ แล้วเกิดความชอบหรือไม่ชอบรูปนั้นคือทำกรรมทางใจแล้วตามดูเป็นการทำงานทางกายด้วยความเพลิดเพลินพอใจเป็นการทางกรรมทางใจเป็นต้นอันหนึ่งที่ยกตัวอย่างมานี้ก็เพียงเพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจเรื่องพฤิของจิตเท่านั้นในเวลาปฏิบัติ จ, จริงไม่ต้องตามดูละเอียดอย่างนี้เพียงรู้ว่า ขณะนี้จิตมีความสุขทุกเฉยเฉยหรือจิตเป็นกุศลอกุศลหรือจิตส่งนอกส่งในและรู้สึกว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นเพียงนามธรรมบางอย่างไม่ใช่ตัวเราเท่านี้ก็พอแล้วการรูปพฤติของจิตนี้เมื่อถึงที่สุดจะทำให้เข้าใจอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาท คือจะทราบว่าเมื่อใดมีความอยากหรือตั้นหาก็มีการกระทำกรรมทางใจหรือพบเมื่อนั้นมีทุกเมื่อใดหมดความอยากและหมดการกระทำกรรมทางใจเมื่อนั้นหมดทุกทั้งนี้ผู้ใดเห็นอริยสัจผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดสามารถตามรู้จิตได้ จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ในชีวิตประจาวันการดำรงชีวิตกับการปฏิบัติธรรมจะดำเนินควบคู่กันไปได้เลยอันหนึ่งผู้ตามรู้กายได้อย่างถูกต้องก็สามารถปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวันได้เช่นกันเพราะการเจริญสติปัฏฐานหรือการตามรู้กายตามรู้ใจนั้นเราต้องทำให้ได้ในชีวิตปกตินี่เองเพียงแต่เบื้องต้นที่ยังไม่ชนานาญ ก็จำเป็นต้องหลีกเรนหาที่สงบบ้างเป็นครั้งคราว 4. การตามรู้จิตเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่ลัดสั้นการตามรู้จิตใจเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่ลัดสั้นตัดตรงเข้าสู่เป้าหมายแรกของการปฏิบัติธรรมคือการทำลายสักกายทิฐิผู้ทำลายสักกายทิฐิได้คือพระโสดาบันและมุ่งตรง ต่อจุดหมายของการปฏิบัติธรรมคือการบรรลุถึงสัพปาทิเสสนิพานหรือความพ้นทุกข์เพราะสิ้นกิเลสตัณหาผู้พ้นทุกข์เพราะสิ้นตัณหาคือพระอรหันต์กล่าวคือ 4.1 การทําลายสักกายทิฐิสักกายทิฐิคือความเห็นผิดว่าขันหะหรือรูปนามหรือร่างกายจิตใจ เป็นตัวเราวิธีละความเห็นผิดมีอยู่ทางเดียวคือเห็นให้ถูกจะเห็นถูกก็ต้องเห็นรูปนามหรือกายใจได้ตรงตามความเป็นจริงซึ่งการตามรู้จิตจะส่งผลสำคัญสองประการคือ 4.1.1 การตามรู้จิตจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดนึกปรุงแต่ง มาอยู่กับโลกของความรู้สึกตัวและในขณะนั้นถ้าสติปัญญารู้ทันก็จะพบว่าจิตและรูปนามอื่นๆไม่ได้มีความเป็นตัวตนของตนใดๆอยู่เลยโดยเฉพาะรูปหรือกายนั้นจะแสดงความไม่ใช่ตัวเราให้เห็นได้ในทันทีที่รู้สึกตัวแต่จิตใจนั้นแม้ผู้ปฏิบัติจะตามรู้อยู่ ก็ยังเคยชินที่จะรู้สึกว่าเป็นตัวเราการเห็นว่ารูปกายไม่ใช่เราจะเห็นได้ง่ายกว่าการเห็นว่าจิตไม่ใช่เราต้องทำความรู้สึกตัวหนงเนืองแล้วตามรู้จิตต่อไปจนสติปัญญากล้าแข็งพอก็จะทราบได้ว่าถ้าไม่หลงคิดจิตก็ไม่ใช่เราเพราะความเป็นเราเกิดจากความคิดเท่านั้นเอง 4.1.2 ถ้าปฏิบัติตามข้อแรกคือสังเกตเข้าที่จิตโดยตรงไม่ได้ก็อย่าพยายามแสวงหาจิตให้มีความรู้สึกตัวหนงเนืองแล้วตามรู้ความรู้สึกและพฤึกของจิตจะพบว่าความรู้สึกทั้งหลายและจิตล้วนเกิดดับมีแล้วไม่มีและทำงานไปได้โดยที่เราบังคับควบคุมไม่ได้จริง เมื่อตามเห็นอย่างนี้ก็ย่อมเห็นว่าจิตไม่ใช่เราแล้วละสักกายทิฐิจนได้ในที่สุดการตามรู้จิตจะทำให้เห็นสภาวธรรมสองอย่างทำงานอยู่ด้วยกันคือหนึ่งจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์และสองเจตสิกคือธรรมที่ประกอบจิตได้แก่ความรู้สึกหรือเวทนา ความจําได้หมายรู้หรือสัญญาและความปรุงแต่งของจิตหรือสังขารซึ่งผู้เขียนขอรวมเรียกง่า ย, ายว่าความรู้สึกเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกในฝ่ายดีและความรู้สึกในฝ่ายชั่วเช่นความรู้สึกโกรธเป็นต้นตำราบางเล่มแปลคำว่าเจตสิกว่าความรู้สึกนึกคิด แต่ผู้เขียนไม่ใช้คำนี้เพราะไม่นิยมคำว่าคิดในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติมักจะรู้ความรู้สึกได้ก่อนที่จะรู้จิตเพราะมันแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ง่ายๆเช่นเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปส่วนจิตนั้นดูยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพราะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูบางคนถึงกับสาคัญผิดว่า จิตที่ยังอยู่อย่างนั้นตลอดการก็มีแต่ถ้าคอยตามรู้พฤติของจิตเนืองๆก็จะพบว่าเดี๋ยวจิตก็เกิดทางตาคือไปรู้รูปแล้วก็ดับไปเดี๋ยวจิตก็ไปเกิดทางหูคือไปฟังเสียงแล้วก็ดับไปเดี๋ยวจิตก็เข้าไปทำงานหรือทำกรรมทางใจแล้วก็ดับไปโดยที่เราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ เมื่อมันตามรู้ไปหนเนือ ง, องก็จะเห็นความจริงของจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาได้ในที่สุด 4.2 ความพ้นทุกข์เพราะสิ้นตัณหาจุดมุ่งหมายแรกของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็คือความพ้นทุกข์ทางใจอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ้นกิเลสตัณหา ในเมื่อความทุกข์และความพ้นทุกข์เกิดขึ้นที่จิตตัณหาและความสิ้นตัณหาก็เกิดขึ้นที่จิตดังนั้นการตามรู้จิตจึงเป็นการหันมาเผชิญหน้าและเรียนรู้เรื่องทุกข์และตัณหาโดยตรงแล้วจะรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะตัณหาส่วนตัณหาเกิดขึ้นได้ก็เพราะความไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง นี้คือการเรียนรู้อริยสัจนั่นเองเมื่อใดรู้แจ้งอริยสัจเมื่อนั้นย่อมพ้นจากทุกทางใจได้อย่างสิ้นเชิงเพราะสามารถปล่อยวางขันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปล่อยวางจิตซึ่งปล่อยวางได้ยากที่สุดในบรรดาขันทั้งปวงแม้จะยังไม่รู้แจ้งอริยสัจและยังไม่พ้นทุก์ทางใจอย่างสิ้นเชิง แต่เมื่อใดที่มีสติรู้เท่าทันความรู้สึกทางใจหรือพฤึกของจิตจิตจะเกิดความรู้สึกตัวและตั้งมั่นบรรดากิเลสตัณหาและความทุกข์ทางใจก็เป็นอันระงับไปชั่วคราวเพราะกิเลสตัณหาและความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อหลงคือเมื่อขาดสติหรือขาดความรู้สึกตัวเท่านั้นแม้การดูจิตจะเป็นวิธีการปฏิบัต ที่ทรงประสิทธิภาพและรวบรัดตรงเข้ามาทำลายความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราและทำลายความยึดถือจิตได้ในที่สุดก็ตามแต่หนึ่งถ้าผู้ใดไม่มีกำลังพอที่จะตัดตรงเข้ามารู้จิตโดยตรงก็ให้ตามรู้ความรู้สึกและพฤติของจิตไปก่อนหมดพฤติกรรมของจิตก็จะเห็นจิตเอง 2. ถ้ายังรู้ความรู้สึกและพฤุกของจิตไม่ได้อีกก็ให้ตามรู้กายไปก่อนเมื่อรู้กายแล้วก็ย่อมจะรู้จิตได้ในภายหลังการรู้กายแม้จะเป็นทางที่อ้อมสักหน่อยเพราะกิเลสตัณหาไม่ได้เกิดที่กายเพียงแต่กายเป็นเหยื่อล่ออย่างหนึง่งที่จะทำให้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องเดินส ถ้ายังตามรู้กายไม่ได้อีกก็ให้ทาสมถะคือความสงบจิตไปก่อนบรรดาคำสอนที่ให้แก้อาการของจิตเช่นจิตมีราคะให้พิจารณาอสุภะจิตมีโทสะให้แผ่เมตตาเป็นต้นนั้นล้วนเป็นคำสอนในระดับการทำสมถะทั้งสิน้นเมื่อจิตสงบแล้วจึงตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตต่อไปนี้ก็เป็นทางอ้อม แต่ถ้าจําเป็นก็ต้องเดินไปทางนี้แต่4ถ้ากระทั่งความสงบก็ยังทําไม่ได้ก็ควรเหลือความดีในระดับที่รองลงมาซึ่งไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมในระดับใดก็ไม่ควรทอดทิ้งได้แก่การทําทานและการรักษาศีลตลอดจนการศึกษาธรรมทั้งภาคปริยัตและภาคปฏิบัติเท่าที่พอจะกระทําได้ แม้ทางสายสุดท้ายนี้จะอ้อมมากแต่เดินไปก้าวหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่เดินเลยแม้เพียงสักหนึ่งก้าวหาวิธีการตามรู้จิตวิธีการตามรู้จิตหรือการดูจิตจนเกิดความรู้ความเข้าใจว่า จิตไม่ใช่ตัวตนในเบื้องต้นและเกิดการปล่อยวางจิตในเบื้องปลายนั้นจะกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขสประการคือ 5.1 ต้องดูจิตให้ถึงจิตคือต้องรู้ให้ถึงตัวสภาวะของจิตใจจริงๆอันเป็นปัจจุบันอารมณ์จะดูจิตแต่ไปรู้แค่ความคิดไม่ได้เพราะความคิดหรือสมมติบัญญัตินั่นแหละ เป็นสิ่งที่ปิดกัน้นการรู้ของจริงคืออารมณ์ปรมาติ์อันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานตัวสภาวะของจิตใจที่จะต้องตามรู้ในเบื้องต้นได้แก่ความรู้สึกต่างๆเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกในฝ่ายากุศลและความรู้สึกในฝ่ายอากุศลทั้งหลายอันเป็นเจตสิกหรือธรรมที่ประกอบจิต ยังไม่ใช่ตัวจิตจริงๆแต่ในเบื้องปลายได้แก่การตามรู้พฤติของจิตจะต้องตามรู้จนจิตหมดพฤติกรรมจึงจะรู้จิตได้จริงๆหลวงปู่เทศท่านเรียกจิตชนิดนี้ว่าใจคือเป็นธรรมชาติรู้ที่เป็นกลางและไม่ปรุงแต่ง 5.2 ต้องดูให้เป็นคือเมื่อจะดูจิต ก็อย่าให้ความอยากหรือตันหาที่จะปฏิบัติธรรมเข้าแทรกการตามรู้กายก็ต้องรู้โดยไม่ถูกตัญหาแทรกเช่นกันเพราะถึงไม่อยากรู้เราก็สามารถตามรู้ความรู้สึกได้อยู่แล้วแต่ถ้าอยากตามรู้จิตเราจะเกิดการกระทาทางใจอีกตั้งมากมายอันเป็นการก่อภาระและก่อทุกข์ให้จิตโดยเปล่าประโยชน์ และเป็นอุปสรรคขัดขวางการตามรู้จิตตามความเป็นจริงทั้งสิน้นเช่นเกิดการตั้งท่าปฏิบัติเกิดการสแสวงหาอารมณ์หรือจิตเกิดการกำหนดและการเพ่งจ้องอารมณ์หรือจิตและเกิดอาการพยายามแก้อารมณ์หรือแก้อาการของจิตเป็นต้นทั้งนี้การรู้ที่ถูกต้องนั้นต้องรู้ถูกต้องทั้ง3มการ ดังนี้คือ 5. 2. 1ก่อนจะดูก็ไม่ต้องอยากดูไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องแสวงหาว่าจะดูอะไรดีและไม่ต้องพยายามจะดูจิตเพียงให้มีความรู้สึกตัวแล้วตามรู้จิตใจไปอย่างธรมธรมดาธรรมดาคือจิตมีความรู้สึกหรือมีพฤติกรรมอย่างใดก็รู้ไปตามนั้นเลยเพราะความอยากดู การตั้งท่าดูการแสวงหาหรือความพยายามจะดูนั่นแหละจะเป็นเครื่องปิดกั้นการตามรู้จิตซึ่งเป็นของง่ายทำให้กลายเป็นของยาก 5.2.2 ระหว่างดูก็อย่าเติมความปรุงแต่งสิ่งใดลงไปอีกเช่นหนึ่งไม่ต้องเพ่งแต่ให้รู้ไปอย่างสบายๆหรือรู้ไปอย่างเบาๆ 2. ไม่ต้องคิดพิจารณา 3. ไม่ต้องกำหนดหรือบริกรรมซ้ำา 4. ไม่ต้องตามภาคหรือบรรยายหรือวิภาควิจารณปรากฏการณ์หรือสภาวะที่เกิดขึ้นเพราะเพียงแค่รู้สภาวะที่ถูกต้องของจิตและเจตสิกแล้วก็ย่อมเห็นความจริงของจิตใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาได้เอง เรียบเหมือนเราดูฟองน้ำที่ผุดขึ้นไม่ต้องเพ่งเราก็เห็นและไม่ต้องคิดว่ามันไม่เทียงมันก็ต้องแสดงความไม่เทียงให้เห็นคือแตกไปจนได้ส่วนการบริกรรมและการตามภาคก็เป็นการสร้างภาระส่วนเกินให้หใจิตใจและอาจทำให้พลาดจากการรู้อารมณ์ปรมัติไปหลงอารมณ์บัญญัติแทนได้นอกจากนี้จะต้องห้า ไม่ตามรู้จนถล่มก็ไปในอารมณ์ต่างๆคือต้องดูอย่างสบายๆดูอยู่ห่างๆจาเลืองรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจึงจะเป็นการรู้ที่ถูกต้องแต่ถ้าหลงมองตามอารมณ์ไปหรือรู้จนถลํมตามอารมณ์ก็คือหลงรู้หรือรู้จนลืมตัวอย่างนั้นเป็นการรู้ที่ใช้ไม่ได้และ ไม่ใช่อาการสักว่ารู้ 5.2.3 ดูแล้วก็ไม่มีกิจกรรมที่จะต้องทำหลังการดูเช่น 1. ไม่ต้องทำกระทั่งความพยายามจะละอกุศล 2. ไม่ต้องพยายามรักษากุศลที่ทำแล้วเอาไว้ด้วยรวมทั้ง3ไม่ต้องช่วยจิตคิดสรุปความรู้ ผู้ปฏิบัติต้องกล้าหาญพอที่จะไม่กลัวโง่เพราะการรู้นั้นทำให้จิตเกิดความรู้หรือปัญญาแต่การคิดทำให้เราเกิดความรู้ซึ่งที่จริงก็คือความคิดและความจําเท่านั้นเองควรปล่อยให้ทุกอย่างก็ดำเนินไปตามที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ตามรู้อย่างซื่อตรงเท่านั้นเพราะเมื่อใดมีสติที่ถูกต้องเมื่อนั้น อากุศลเป็นอันถูกละไปแล้วโดยไม่ต้องทำอะไรเลยและกุศลก็ได้เจริญขึ้นแล้ว 5. ้สต้องดูบ่อยๆหรือตามรู้เนืองๆยิ่งรู้ได้ทียิบโดยไม่ตั้งใจจะรู้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสิ่งที่จะช่วยให้ตามรู้จิตได้ดีก็คือการเคลื่อนไหวกายอย่านั่งนิ่งๆยิ่งนั่งหลับตา และเปิดเทศธรรมะคลอไปด้วยก็จะยิ่งถูกโมหะแทรกได้ง่ายถ้ามันเคลื่อนไหวกายไว้จิตจะเกิดความตื่นตัวหรือรู้สึกตัวได้ง่ายทำให้การตามดูจิตง่ายไปด้วยแต่การเคลื่อนไหวไกายในอาการซ้ำๆเช่นการเดินจงกรมหรือการทำจังหวะต่างๆก็อาจจะถูกโมหะแทรกได้เป็นสิ่งที่ต้องคอยระวังสังเกตเช่นกัน อันหนึ่งการตามรู้กายก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทั้ง3าประการนี้เช่นกันคือ 1. ต้องดูหรือรู้ให้ถึงสภาวะของกายเมื่อจะคิดเรื่องกายหรือเพ่งกาย 2. ต้องดูให้เป็นและ 3. ต้องดูบ่อย ขยายความเรื่องการตามรู้ความรู้สึกและพฤติของจิตการเจริญวิปัสสนานั้นจะต้องตามรู้อารมณ์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมซึ่งการดูจิตเป็นวิธีการเจริญวิปัสสนาอย่างหนึ่งที่มุ่งรู้อารมณ์ในฝ่ายนามธรรมได้แก่เจตสิกหรือความรู้สึกอันเป็นความปรุงแต่งทางใจและจิตซึ่งจะรู้ได้โดยการตามสังเกตพฤติ หรือกิริยาอาการของจิตเมื่อตามรู้มากเข้าก็จะเกิดวิปัสสนาปัญญาคือสามารถรู้ลักษณะของนามธรรมทั้งปวงว่าเป็นไตรลักษณ์และจะพัฒนาไปสู่การรู้อริยสัจก่อนที่จิตจะวางอารมณ์รูปนามแล้วไปรู้อารมณ์นิพพานในขั้นที่เกิดโลกุตระปัญญากล่าวคือ 6.1 การตามรู้ความรู้สึก ในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติส่วนมากยังไม่สามารถรู้จิตได้จริงๆแต่อย่าได้เที่ยวแสวงหาจิตเป็นอันขาดเพราะถึงหาอย่างไรก็ไม่พบให้เริ่มปฏิบัติไปตามลำดับคือรู้ถึงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเสียก่อนทำนองเดียวกับเมื่อจะดูของขวัญในกล่องเบื้องต้นเรายังไม่เห็นของขวัญแต่เห็นกระดาษห่อของขวัญต้องแกะสิ่งที่ห่อหุ้มออกเสียก่อน จึงจะเห็นของขวันได้การดูจิตก็เหมือนกันคือเบื้องต้นเรายังเห็นจิตไม่ได้ก็ยังรู้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตหรือจิตจสังขารไปก่อนได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายอันเป็นเวทนาบ้างเป็นสังขารบ้างวิธีการรู้ได้กล่าวไว้แล้วในข้อห้าโดยเริ่มต้นให้ทำใจให้สบายสบายอย่าเคร่งเครียดจริงจัง แล้วตามรู้ความรู้สึกในจิตใจของตนเองไปเลยระวังอย่าไปเพ่งหรือกําหนดจดจ้องคอยดูจนจิตนิ่งรู้บ้างเผลอบ้างก็ยังดีกว่าการนั่งจ้องแบบไม่คลาดสายตาเพียงเท่านี้ก็จะทราบได้ว่าขณะก่อนหน้านั้นมีความรู้สึกใดเกิดขึ้นเช่นมีความรู้สึกสุขใจหรือโสมนัสเวทนา มีความรู้สึกทุกข์ใจหรือโทมานัสเวทนามีความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์หรืออุเบกขาเวทนามีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความฟุ้งซ่านมีความหดหูซ่ซึมเศร้ามีความลังเลสงสัยหรือมีความผ่องใสของจิตใจเป็นต้นเมื่อทราบถึงสภาวะดังกล่าวแล้วก็ให้หยุดอยู่แค่นั้นไม่ต้องทําอะไรต่อไป เช่นไม่ต้องบริกรรชื่อของสภาวะนั้นไม่ต้องวิจารณ์ว่าสภาวะนั้นดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรไม่ต้องคิดรักษาหรือแก้ไขสภาวะนั้นเช่นไม่ต้องพยายามรักษาความสงบสุขที่เกิดขึ้นและไม่ต้องพยายามละอากุศลเป็นต้นเมื่อเราสามารถรู้ตัวสภาวะได้แล้วตัวสภาวะ หรือความรู้สึกทั้งหมดนั้นจะแสดงตรายลักษ์ให้ดูโดยไม่ต้องไปคิดถึงตรายลักษ์เพราะความจริงความรู้สึกทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดเมื่อตามรู้มากเข้าในที่สุดก็จะพบความจริงอีกว่าการเกิดและดับนั้นก็ไม่ได้เป็นไปเองแต่เมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุ ก็ดับไปเราไม่สามารถควบคุมบังคับได้แต่อย่างใด 6.2 การตามรู้พฤติของจิตการตามรู้จิตหรือการดูจิตตามคําสอนของหลวงปู่ดูลไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การให้ตามรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเท่านั้นแต่ท่านมุ่งสอนให้ตามรู้จิต จนรู้เท่าทันพฤติของจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติประเภทที่เป็นพฤติกรรมคือการทำงานทางใจที่เจือด้วยความอยากผู้ใดรู้ถึงพฤติกรรมของจิตจนจิตหมดพฤติกรรมจิตจะเกิดความรู้สึกตัวตั้งมั่นและถอดถอนตนเองออกจากโลกของความคิดนึกพรุงแต่งก็จะเป็นบันไดเอื้อให้ก้าไปรู้อริยสัจแห่งจิตได้ต่อไป เพราะเพียงจิตหลงหรือไหลก็ไปทำงานทางใจด้วยความอยากแม้เพียงเล็กน้อยอีกเมื่อใดความทุกข์ของจิตจะปรากฏขึ้นอย่างแจ่มชัดจนจิตหมดความอยากที่จะหลงหรือไหลก็ไปทำกรรมทางใจอีกเพราะรู้ทุกข์ได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วในขณะที่ผู้ซึ่งหลงอยู่กับโลกของความปรุงแต่งและการมีพฤติกรรมของจิตมาแต่ไหนแต่ไร ย่อมจมแช่อยู่กับทุกข์โดยมองทุกไม่ออกเปรียบเหมือนทาสที่ถูกขังและต้องทํางานหนักมาแต่กําเนิดจะไม่รู้สึกถึงความทุกข์มากนักแต่เมื่อใดเคยได้รับอิสระและไม่ต้องถูกบังคับให้ทํางานครั้นภายหลังถูกจับมาขังและถูกบังคับให้ทํางานหนักอีกเขาจะเห็นทุกข์ได้ชัดเจนยิ่งกว่าเมื่อก่อนพฤติกรรมของจิตนั้น มีตันหาและความหลงเป็นพื้นฐานอยู่เสมอพ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าบางรูปท่านเรียกจิตที่หลงออกทำงานทางปัญจทวารคือตาหูจมูกกลิ้นและกายว่าจิตส่งออกนอกและเรียกจิตที่หลงเข้าไปทำงานทางมโนทวารคือใจว่าจิตส่งในซึ่งจิตส่งในจะทำงานได้สองแบบหลักคือทาหน้าที่หนึ่ง หลงรู้อารมณ์จนถลําตามอารมณ์ไปอย่างหนึ่งและสองหลงทากรรมด้วยเจตนาที่ดีบ้างชั่วบ้างอีกอย่างหนึ่งบรรดากุศลธรรมเช่นศีลสติสมาธิปัญญาก็ดีบรรดากิเลสตัณหาทั้งหลายก็ดีบรรดาความทุกทางใจก็ดีเกิดขึ้นในช่วงที่จิตทากรรมนี้เองเมื่อจิตทากรรมดี ก็มีภาระหรือทุกข์อย่างคนดีเมื่อจิตทำกรรมชั่วก็มีภาระหรือทุกข์อย่างคนชั่วแม้แต่นักปฏิบัติทั้งหลายก็มีภาระหรือทุกข์อย่างนักปฏิบัติแต่เมื่อใดจิตไม่ส่งนอกไม่ส่งในคือไม่หลงจิตจะมีความรู้สึกตัวโปร่งว่างสว่างผ่องใส ไร้ขอบเขตตั้งมั่นเป็นกลางและสักว่ารู้อารมณ์หรือรู้โดยไม่หลงและทำโดยไม่หลงคือทำงานไปตามหน้าที่ของจิตเท่านั้นจิตชนิดนี้ถ้ากล่าวโดยนยะของพระปริยติธรรมก็คือมหากุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างยิ่งอย่างหนึ่งกับมหากิริยาจิต ของพระอาหารหันต์อีกอย่างหนึ่งขอให้สังเกตด้วยว่าจิตส่งในแม้จะมีพื้นฐานมาจากอกุศลคือความหลงแต่ก็สามารถหลงทำกุศลได้ส่วนจิตที่รู้สึกตัวนั้นตามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าเป็นกลางกลางไม่ส่งนอกไม่ส่งในแต่ในทางพระประยะิยัติธรรม ก็จัดว่าเป็นชาวนาจิตเหมือนกับจิตที่ส่งไนนั่นเองแต่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจำแนกตามสภาวะที่ผู้ปฏิบัติรู้สึกได้เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติเท่านั้นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีเพียงการตามรู้พฤติของจิตคือถ้าจิตเคลื่อนไปทางานทางปัญจทวารได้แก่ทางตาหูจมูกลิ้นและกายก็ให้รู้ ถ้าไม่รู้ก็คือหลงซึ่งหลวงปูด่ดูลและหลวงปู่เทศท่านเรียกตรงกันว่าจิตส่งออกนอกทางนี้ให้รู้พฤติกรรมของจิตว่าส่งออกนอกไปทางใดโดยไม่จาเป็นต้องรู้ว่าจิตไปดูรูปอะไรไปฟังเสียงหรือเรื่องราวอะไรและไปดมกลิ่นอะไรเป็นต้น เพราะบรรดาสิ่งที่คิดว่าอะไรอะไรทั้งหลายนั้นล้วนแต่เป็นบัญญัติซึ่งไม่จำเป็นต้องใส่ใจในระหว่างการเจริญวิปัสสนาถ้าจิตเคลื่อนไปทำงานทางมโนทวารคือทางใจก็ให้รู้ถ้าไม่รู้ก็คือหลงซึ่งหลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตส่งออกนอกเช่นเดิมคือส่งออกไปนอกเหนือจากการรู้โดยจิตที่ตั้งมั่น และรู้สึกตัวส่วนลุงปุเทศท่านเรียกให้เห็นภาพตรงตามความรู้สึกว่าจิตส่งในอันหนึ่งการรู้ความรู้สึกทางใจของจิตนั้น 1. ไม่จำเป็นต้องรู้อย่างละเอียดทียิบและ 2. ไม่ต้องพยายามรู้ให้ชัดเจนเกินกว่าที่จะรู้ได้ตามปกติ การพยายามรู้ให้ละเอียดยิบหรือพยายามรู้ให้ชัดอาจจะทําให้เกิดอาการหรือพฤติกรรมหลงรู้ขึ้นมาได้สภาวะหลงรู้นั้นคล้ายกับผู้ปฏิบัติรู้สภาวะทั้งปวงอยู่แต่ความจริงจิตไม่ตั้งมั่นแต่ส่งในตามอารมณ์ไปหรือจมแช่อยู่กับอารมณ์ไปแล้วคล้ายกับคนที่ดูละครจนลืมตัว กระโดดขึ้นไปบนเวทีละครเสียแล้วหรือคล้ายคนที่ดูสิ่งที่ลอยน้ำมาแล้วจะโงกจนตกน้ำไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวนอกจากนี้ก็สมไม่จําเป็นต้องรู้ว่ารู้อะไรเช่นไม่ต้องใส่ชื่อว่าสภาวะอันนี้ชื่อนี้ชื่อนี้การพยายามใส่ชื่อการตามภาคตามบรรยายและการทํางานอย่างอื่น เกินจากการรู้ว่าสิ่งบางสิ่งหรือนามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นการสร้างภาระส่วนเกินสำหรับการเจริญวิปัสสนาทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามถ้ามีกำลังความสามารถพอผู้ปฏิบัติจะไม่ตามรู้ความรู้สึกก็ได้เพียงตามรู้ทันว่าจิตมีพฤติกรรมไปทำงานทางใดเท่านี้ก็พอแล้ว เมื่อใดรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตที่ส่งนอกและส่งในเมื่อนั้นจิตจะเลิกส่งนอกและส่งในแล้วถอดถอนตนเองออกจากอารมณ์ที่จิตไปจมแช่อยู่เกิดเป็นจิตรู้หรือจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแทนจิตรู้เป็นจิตที่ทำหน้าที่รู้โดยไม่มีเจตนาจะรู้ผู้ปฏิบัติไม่ต้องทำจิตรู้ขึ้นมาเพียงรู้ว่า จิตหลงส่งนอกส่งในจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นเองจิตรู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปราศจากน้ำหนักแต่เกิดอยู่ได้วับเดียวก็ดับไปหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือหมั่นตามรู้ทันความรู้สึกและพฤติกรรมของจิตเนืองเนืองเพื่อให้จิตรู้เกิดบ่อยๆถ้าเกิดบ่อยมากผู้ปฏิบัติจะรู้สึกเหมือนกับว่า ความรู้สึกตัวแผ่กว้างออกแล้วเบียดเอาความหลงพรุงแต่งขาดสะบั้นไปในขณะที่ความหลงหดแคบลงคือหลงสั้นลงเรื่อยมีจุดที่ควรกล่าวถึงอีกอย่างหนึ่งคือที่กล่าวว่าจิตเคลื่อนไปทำงานทางปัญจทวารบ้างและเคลื่อนไปทำงานทางมโนทวารบ้างเป็นเพียงโวหารที่กล่าวตามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติ ซึ่งรู้สึกไปเองว่าจิตเคลื่อนไหวไปมาได้แท้จริงจิตไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเพราะจิตนั้นเกิดที่ใดก็ดับที่นั้นเช่นเกิดทางตาก็ดับที่ตาและเกิดทางใจก็ดับที่ใจเพียงแต่จิตเกิดดับสืบต่อกันรวดเร็วมากจนผู้ปฏิบัติรู้สึกไปเองว่าจิตมีดวงเดียว แล้วเคลื่อนไหวไปมาได้เป็นทํานองเดียวกับการสร้างหนังการ์ตูนคือรูปแต่ละรูปเคลื่อนไหวไม่ได้แต่พอรูปเกิดดับสืบต่อกันเราก็เห็นว่าตัวการ์ตูนตัวนั้นเคลื่อนไหวไปมาได้มิหนำซ้ายังเป็นรูปของการ์ตูนตัวเดิมทั้งที่ความเป็นจริงเป็นรูปจํานวนมากที่เกิดดับสืบเนื่องกันการตามรูปพฤติของจิต จะทำให้ได้ทราบกลไกาการทำงานของจิตได้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยเช่นจะพบว่าอาการส่งนอกและส่งในมีความเกี่ยวเนื่องกันได้บางคราวจิตส่งนอกอย่างเดียวไม่มีการส่งในตามมาเช่นเมื่อเรานั่งรถผ่านไปตามย่านชุมชนและได้เห็นผู้คนที่ไม่รู้จักมากมายอย่างนี้ จิตก็ไม่ส่งในคือไม่มีการทํางานทางใจต่อไปเพราะสิ่งที่เห็นนั้นไม่มีคุณค่าที่น่าสนใจบางคราวจิตส่งนอกแล้วก็ส่งในด้วยเช่นเราเกิดมองเห็นเพื่อนรักยืนอยู่ข้างถนนจิตเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วคิดเพลินไปถึงความสนุกสนานที่เคยเที่ยวเล่นด้วยกันมาก่อนเป็นต้นบางคราวจิตก็ส่งในอย่างเดียว เช่นเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วจู่ๆก็เกิดนึกไปถึงศัตรูคู่อาฆาตทั้งที่ไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ยินสิ่งใดเกี่ยวกับคนคนนั้นเป็นแต่จิตคิดขึ้นมาเองถัดจากนั้นจิตก็เกิดโทสะคือรู้สึกเคียดแค้นชิงชังขึ้นมาเป็นต้นการส่งนอกส่งในนี้สอดคล้องกับคำสอนของพระปริยติธรรมในเรื่อง วิถีสังหะวิภาคแต่นี้ก็เป็นความรู้ที่มากเกินจำเป็นสำหรับการเจริญวิปัสสนาไปสักหน่อยดังนั้นไม่ต้องตั้งอกตั้งใจสังเกตเพียงแต่เป็นความรู้ที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เท่านั้นเองเมื่อรู้แล้วก็ควรปล่อยวางเสียคืออย่าเป็นหลงค้นคว้าพิจารณาจนลืมรู้สึกตัวพฤติกรรมของจิตในลักษณะอื่นก็ยังมีอีกเช่น บางคราวจิตก็ปรุงแต่งกิเลสบางคราวกิเลสก็ปรุงแต่งจิตกล่าวคือเมื่อรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกแล้วจิตมักจะหลงให้ค่าต่ออารมณ์นั้นๆและปรุงแต่งเป็นความยินดียินร้ายขึ้นมาถ้าเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นของดีก็ปรุงความยินดีพอใจคืออยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วเกิดการกระทำทางใจได้อีกตั้งมากมายเพื่อให้ได้อารมณ์อนั้นมาถ้าเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นของไม่ดีก็ปรุงความยินร้ายคือปฏิเสธอารมณ์นั้นแล้วเกิดการกระทำทางใจได้อีกตั้งมากมายเพื่อผลักอารมณ์นั้นออกไปสำหรับการกระทำทางกายและวาจาก็เป็นผลพวงของการกระทำทางใจนั่นเองปรากฏการเหล่านี้ แสดงให้เราเห็นว่าจิตนั้นแหละปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาคือปรุงความยินดียินร้ายขึ้นมาและกิเลสก็เข้ามาปรุงแต่งจิตคือเข้ามาบงการพฤติกรรมของจิตถ้าเรามีสติรู้เท่าทันกระบวนการทำงานดังกล่าวนี้จิตก็จะสักว่ารู้อารมณ์โดยไม่ปรุงแต่งกิเลสหรือถ้าสติรู้ได้ช้าคือจิตปรุงแต่งกิเลสขึ้นมา แล้วจึงค่อยมีสติรู้ทันก็ยังพอใช้ได้เพราะกิเลสจะหลุดร่วงออกจากจิตใจในทันทีที่รู้ทันพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อกิเลสก็เป็นอันระงับไปเพียงนั้นจิตจะเข้าถึงความสงบผ่องใสก่อนที่จะรู้อารมณ์แล้วปรุงกิเลสรอบใหม่ต่อไปอีกเพราะจิตยังมีอนุสัยกิเลสอยู่การเห็นพฤติของจิต ไม่เพียงแต่จะทำให้กิเลสและพฤติกรรมซ่อนเร้นของจิตดับไปแต่ยังจะทำให้เกิดวิปัสสนาปัญญาเห็นความจริงว่าเดี๋ยวจิตก็เกิดทางตาแล้วก็ดับไปเดี๋ยวจิตก็เกิดทางหูแล้วก็ดับไปเดี๋ยวจิตก็เกิดทางใจแล้วก็ดับไปเป็นต้นจะทำให้เห็นความจริงว่าจิตเองก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคือเกิดแล้วก็ดับไป จิตเองเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และจิตเองเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เช่นจะเลือกให้เกิดหรือไม่ให้เกิดทางทวารใดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะสั่งให้เป็นกุศลหรือห้ามเป็นอกุศลก็ไม่ได้และจะสั่งให้จิตมีแต่ความสุขห้ามไม่ให้มีความทุกข์ก็ไม่ได้เป็นต้นนี้เป็นการเรียนรู้จิตปรมาธิ และจะทำลายความเห็นผิดว่าจิตผู้รู้เป็นตัวตนของตนลงได้ต่อไปสรุปแล้วอาการที่จิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เองคือสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเรียกว่าจิตส่งออกนอกบ้างจิตส่งในบ้างเมื่อจิตส่งออกไปรู้อารมณ์แล้วหลงอารมณ์ จนลืมกายลืมใจอันเป็นอารมณ์ปรมัติก็ทำให้เจริญวิปัสสนาไม่ได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติพึงทำความรู้สึกตัวหนึ่งเนืองด้วยการรู้เท่าทันจิตที่ส่งนอกและส่งในอย่าพยายามสแสวงหาหรือพยายามทำจิตให้เป็นกลางเพราะความพยายามทั้งหลายนั้นส่วนมากก็คือการส่งในเข้าไปหลงทางานทางใจ เมื่อใดจิตเกิดความรู้สึกตัวหรือเกิดจิตรู้ได้แล้วก็จะสามารถเจริญวิปัสสนาได้ต่อไปคือรู้ว่าจิตที่เพิ่งดับไปนั้นเป็นอย่างหนึ่งและจิตขณะนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งความสุขทุกข์ชั่วดีทั้งหลายก็ดีจิตที่เกิดทางทวารทั้งหลายก็ดีเมื่อเกิดแล้วในที่สุดก็ต้องดับไปทั้งสิ้น ขยายความเรื่องการตามรู้จิตกับการรู้แจ้งอริยสัจบทความนี้ได้กล่าวถึงการตามรู้จิตกับการรู้แจ้งอริยสัจไว้หลายแห่งจึงขอขยายความเพิ่มเติมสักเล็กน้อยดังนี้ 7.1 การตามรู้จิตเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าการตามรู้จิตหรือการดูจิต เป็นสิ่งที่หลวงปู่ดูลท่านนามาสอนบ่อยครั้งก็จริงแต่ความจริงก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แก่การเจริญสติปัฏฐานที่เริ่มต้นปฏิบัติโดยใช้อารมณ์ในฝ่ายนามธรรมหลักของการตามรู้จิตจึงเป็นอันเดียวกับหลักของการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากกันไม่ได้เลยเช่นจะต้องรู้ให้ถึงสภาวะของนามธรรม ได้แก่จิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์และเจตสิกหรือธรรมที่ประกอบจิตเช่นความรู้สึกสุขทุกข์คือเวทนาและความรู้สึกโลภโกรธหลงคือสังขารเป็นต้นบางท่านอาจจะสงสัยว่าในเมื่อจิตเป็นผู้รู้อารมณ์ก็แล้วใครกันเป็นผู้รู้จิตคำตอบก็คือจิตนั่นแหละ เป็นผู้รู้จิตเพราะจิตเป็นสิ่งหนึ่งในธรรมอารมณ์หรือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจหรือจิตหลวงปู่ดูลนท่านจึงสอนว่าจิตเห็นจิตปัญหาประการต่อมาก็คือในเมื่อจิตเป็นผู้ไปรู้อารมณ์อื่นอยู่แล้วเช่นไปรู้รูปที่ปรากฏทางตาหรือไปรู้ความโกรธที่ปรากฏทางใจแล้วจิตจะรู้จิตพร้อมกันได้อย่างไร ในเมื่อจิตย่อมรู้อารมณ์ได้เพียงครั้งและอย่างเดียวคำตอบก็คือเมื่อจิตดวงหนึ่งรู้อารมณ์เช่นรูปบางอย่างหรือความรู้สึกต่างๆแล้วจิตดวงนั้นก็ดับไปแล้วจึงมีจิตอีกดวงหนึ่งตามรู้จิตดวงแรกอย่างกระชั้นชิดโดยไม่มีอารมณ์อย่างอื่นมาขั้นไม่ใช่มีจิตดวงเดียวไปรู้อารมณ์อื่นๆพร้อมๆกับการรู้จิต นี้เองคือการตามรู้จิตลองอ่านเรื่องการเจริญสติปัฐานในหนังสือเล่มนี้และทบทวนข้อ5ของบทความเรื่องวิธีการตามรู้จิตเพื่อทราบถึงความสอดคล้องกันของทั้งสองเรื่องนี้ 7.2 การตามรู้จิตมีกี่วิธีกันแน่ผู้ศึกษาคําสอนเกี่ยวกับการตามรู้จิตอาจจะเกิดความสงสัยอย่างที่ผู้เขียนเคยสงสัยมาแล้วว่า 1. ควรตามรู้ก็ไปให้ถึงจิตโดยตรงโดยไม่ต้องสนใจกับความปรุงแต่งของจิตเช่นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายหากความปรุงแต่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ให้สลัดทิ้งไปเลยแล้วย้อนกลับมาดูจิต หรือสองควรจะรู้ความปรุงแต่งของจิตจนดับไปแล้วให้จิตย้อนกลับมาดูจิตเองโดยไม่ต้องตั้งใจที่ผู้เขียนเคยสงสัยเรื่องนี้ก็เพราะหลวงปู่ดูลท่านสอนเสมอๆว่าให้ดูจิตท่านไม่ได้สอนให้ดูความปรุงแต่งของจิตหรือจิตตะสังขารในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตามปรู้เวทนาบ้าง ตามรู้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลบ้างและตามรู้ธรรมารมที่เป็นนามธรรมเช่นนิวรณและโพชฌงบ้างแสดงว่าพระองค์ท่านไม่ได้ส่งสอนว่าให้ดูจิตยอย่างเดียวแต่ผู้เขียนก็ไม่เชื่อว่าหลวงปู่จะสอนธ ร, รมขัดกับพระพุทธเจ้าเพราะหลวงปู่เป็นสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระพุทธเจ้าในเวลาลงมือปฏิบัติจริง ผู้เขียนก็ลงมือดูจิตตามคำสอนของหลวงปู่แต่สิ่งที่ดูได้จริงในเบื้องแรกกลับเป็นความรู้สึกสุขทุกข์และกุศลอกุศลต่างๆอันเป็นจิตสังขารไม่ใช่จิตซึ่งก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้ดูได้ง่ายกว่าจิตซึ่งเป็นอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบได้เพียงตามรู้ไปจนสามารถแยกได้ว่าอันไหนจิต ผู้รู้อันไหนอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วตามรู้อารมณ์จนจิตวางอารมณ์รูปนามอื่นเข้ามารู้จิตหรือใจต่อมาเมื่อปฏิบัติชำนาญขึ้นพอจิตไหวตัวจะออกไปรู้ความปรุงแต่งจิตก็รู้ทันจิตแล้วความปรุงแต่งก็หยุดลงเพียงนั้นปฏิบัติถึงตรงนี้จึงทราบว่าที่หลวงปู่สอนให้ดูจิต ก็ถูกของท่านเช่นกันเพราะถ้าจะรอดูจิตสังขารก็ต้องปล่อยให้จิตหลงปรุงแต่งไปช่วงหนึ่งแล้วการปรุงแต่งหรือการทำกรรมทางใจก็คือภพซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าภพแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่น่าปรารถนาเลยจึงได้ทราบว่าวิธีการปฏิบัติสองอย่างนี้ต่างกันโดยเทศนาโวหาร คือลีลาการสั่งสอนของครูบาอาจารย์แต่วิธีปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติจะทำได้จริงมีอันเดียวตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือการตามรู้ทุกข์หรือรูปนามกายใจจนปล่อยวางได้แต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นให้รู้จิตก็เพราะพวกเรามักชอบหลงจิตตะสังขารจนลืมจิตเช่นหนึ่ง ละเลยที่จะมีสติตามรู้การเริ่มทำงานของจิตจนกว่าจิตจะส่งในเข้าไปปรุงแต่งจิตสังขารขึ้นมาซะก่อนแล้วจึงจะมีสติไปตามรู้จิตสังขาร 2. พอพบจิตสังขารก็เกาะติดตามรู้ด้วยใจจดจ่อว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปบางทีก็ตามจนถลำลึกเข้าไปภายในหรือรอดูว่าเมื่อไรมันจะดับสักที หรือเกิดการทำงานทางใจอื่นๆอีกมากมายเพื่อจะจัดการกับจิตสังขารเช่นการเพ่งการกำหนดและการหาทางละเป็นต้นเหล่านี้เป็นการกระทำด้วยความหลงผิดอันเป็นการก่อพบคือการทำกรรมทางใจด้วยอำนาจของตัณหาคือความอยากจะปฏิบัติธรรมเมื่อครูบาอาจารย์เน้นให้ดูจิตเราผู้สิทธ จะได้เกิดความเฉลียวใจไม่หลงจิตตสังขารจนลืมจิตที่ท่านสอนให้สลัดความปรุงแต่งทิ้งไปโดยไม่ต้องตามดูความปรุงแต่งก็เพื่อประโยชน์ตรงนี้เองพวกเราอย่าได้พยายามละความปรุงแต่งโดยจงใจเพื่อเข้ามารู้จิตโดยตรงเพราะผู้ฝึกใหม่จะทำได้เพียงแค่การสแสวงหาจิตและการเพ่งจิตเท่านั้นเองไม่ใช่การรู้จิตอย่างถูกต้อง หลวงปู่จึงสอนไว้นักหนาว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตเพียงไม่หลงจิตตสังขารก็จะเข้ามารู้จิตได้เอง 7.3 ความรู้สึกตัวกับการปฏิบัติเพื่อเห็นแจ้งอริยสัจธรรมดาจิตของปุถุชนย่อมหลงจมแช่ และวุ่นวายอยู่กับกายและใจอันเป็นกองทุกมาแต่ไหนแต่ไรจนชินกับความทุกข์และดูความทุกข์ไม่ออกแต่หากจิตเคยพ้นออกจากกองทุกแม้เพียงชั่วคราวแล้วเกิดย้อนหลงหรือไหลส่งนอกส่งในเข้าไปในกองทุกขอีกครั้งหนึ่งย่อมจะเห็นทุกข์ได้ชัดเจนถึงอกถึงใจทีเดียวการปฏิบัติธรรมเพื่อจิตหลุดพ้นจากกองทุก หรือพ้นจากความปรุงแต่งอันวุ่นวายทางใจชั่วคราวเรียกว่าจิตสิกขาซึ่งเป็นหนึ่งในไตรสิกขาอันประกอบด้วยสีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาจิตที่พ้นจากกองทุกชั่วคราวก็คือจิตที่มีสัมมาสมาธิคือมีความตั้งมั่นไม่หลงส่งนอกส่งในมีสติมีสัมปชัญญะ พูดง่ายๆก็คือจิตมีความรู้สึกตัวเมื่อผู้ปฏิบัติคุ้นเคยกับจิตชนิดนี้แล้วต่อมาเมื่อจิตเคลื่อนส่งนอกส่งในเข้าไปอีกจิตจะเห็นความทุกข์อันเกิดจากความปรุงแต่งซึ่งเป็นภาระอันหนักอึ้งและรู้สึกได้ถึงความทุกข์เพราะการขาดอิสรภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยรู้สึกมาตลอดชีวิตวิธีทาจิต พ้นจากกองทุกชั่วคราวมีสองวิธีคือ 7.3.1 การทำสมถกรรมฐานให้จิตตั้งมั่นมีปีติมีความสุขมีอุเบกขาพ้นจากความทุกข์ยับยาบทางใจชั่วคราวต่อมาเมื่อออกจากความสงบจิตเริ่มทำงานมากขึ้นเมื่อทำความสงบ จิตทำงานทางมนุษวานอย่างเดียวและรู้อารมณ์อันเดียวเมื่อออกจากความสงบจิตต้องกระทบอารมณ์ทั้งหกทวารจิตจึงเกิดการทำกรรมต่างๆนานามากมายผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ชัดเจนว่าการที่จิตมีความอยากและเกิดการดิ้นรนไปทำกรรมตามความอยากนั้นเป็นเหตุให้จิตหมดอิสระฟุ้งซ่านบุ้นวายหนักแน่น เป็นทุกการทำสมถกรรมาฐานจึงช่วยให้เห็นทุกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ก็มีจุดอ่อนคือจิตจะไปติดอกติดใจความสงบจากการทำสมถะยากที่จะเห็นว่าความสงบนั้นก็ยังเป็นความปรุงแต่งในขั้นละเอียดหรือเป็นทุกข์อีกอย่างหนึง่งเว้นแต่ว่าพอจิตถอนออกจากความสงบจะมีสติตามระลึกรู้ถึงองค์ชานที่เพิ่งดับไปสด ร้อนๆจนเห็นว่ากระทั่งความสงบสุขเหล่านั้นก็เป็นของแปรปรวนเอาเป็นที่พึ่งถาวรไม่ได้จิตจึงจะไม่ติดสมถะและเกิดปัญญาเห็นว่าไม่ว่าพบหรือการทำกรรมใดๆของจิตก็เป็นทุกข์ทั้งสิน้น 7.3.2 การมีความรู้สึกตัวขึ้นมา ด้วยการมีสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นของจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการจิตส่งในจิตที่รู้สึกตัวจะพ้นจากความทุกข์ทางใจได้ชั่วขณะต่อมาเมื่อจิตเคลื่อนส่งนอกส่งในผู้ปฏิบัติจะเห็นความทุกข์ได้อย่างชัดเจนเช่นกันวิธีนี้มีข้อดีคือแม้แต่จิตจะส่งในเข้าไปหาความสงบสุขด้วยความอยากจะทาสมถะ ผู้ปฏิบัติก็จะสามารถรู้ทันได้ง่ายและเห็นทุกเพราะการทำกรรมหรือกรรมฐานของจิตการปฏิบัติในแนวทางนี้จึงไม่เสี่ยงกับการติดสมถะสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นได้สองแนวทางทางหนึ่งของสมถียานิก ค, คือทำสมถะจนจิตดิ่งรวมสงบถึงฌานก่อน แล้วค่อยเจริญสติเจริญปัญญาในภายหลังอีกทางหนึ่งของวิปัสสนาญาณิกคือมีความรู้สึกตัวแล้วตามรู้กายตามรู้ใจไปได้เลยทั้งสองแนวทางนี้เมื่อบฏติบัตไปเต็มที่แล้วก็จะเห็นอริยสัจได้เช่นเดียวกันคือจะรู้ว่าความทุกข์คืออะไรเกิดได้อย่างไรและพ้นไปได้อย่างไรพวกเราส่วนใหญ่ ทำฌานไม่ได้จริงเว้นแต่จะทิ้งโลกแล้วฝึกกันอย่างหนักอย่างพระปาหรือมีบุญญาบารมีเก่าเคยสะสมมาเป็นการเฉพาะตัวส่วนใหญ่ที่ทำสมถะกันในเวลานี้ก็มักจะเป็นแค่การทำความสงบเพียงเล็กน้อยแล้วเคลิบเคลิมลืมตัวหรือออกเห็นโน่นเห็นนี่หรือเกิดปีติเล็กน้อยเช่นรู้สึกตัวใหญ่ตัวหนักตัวโคลงเป็นต้น ซึ่งไม่ใช่ฌานที่แท้จริงแต่เป็นมิจฉาสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะและโลภะเป็นส่วนมากดังนั้นในความเป็นจริงแล้วเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการมีความรู้สึกตัวขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนักหากเรากล้าพอที่จะสลัดความคิดนึกปรุงแต่งและพฤติกรรมทางใจทั้งปวงแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่า การปฏิบัติธรรมออกไปแล้วมีสติระลึกรู้สภาวะของจิตใจที่หลงส่งนอกส่งในเข้าไปตรงๆ ง, ง่ายงา่ายและธรรมดาธรรมดาเพียงเท่านี้ความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นในทันทีความรู้สึกตัวเมื่อจิตไม่ส่งนอกไม่ส่งในนั่นแหละเป็นเงื่อนไขาสาคัญของการเจริญปัญญาอันจะเป็นเครื่องนำเราไปสู่ความบริสุทธิ์ และความพ้นทุกได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าจิตไม่ถอดถอนตนเองออกจากการส่งนอกและส่งในและเกิดเป็นจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นและเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งปวงแล้วจิตจะเห็นทุกข์อันเป็นเครื่องละสมุทยัยและทำนิโรธให้แจ้งได้ไม่ชัดเจนเลย การตามรู้จิตกับการรู้แจ้งอริยสัจการตามรู้จิตทำให้จิตรู้เท่าทันความรู้สึกและพฤกษของจิตและสามารถถอดถอนตนเองออกจากโลกของความปรุงแต่งภายในมาสู่โลกของความรู้สึกตัวได้ต่อมาเมื่อจิตเกิดความอยากหรือตัณหาในอารมณ์ทางทวารทั้ง6ผู้ปฏิบัติก็จะรู้ทันความอยากนั้นด้วยสติ และไม่ถูกความอยากครอบงำก็จะไม่เกิดพฤติกรรมทางใจอันเป็นภาระต่อไปแต่ถ้าจิตถูกความอยากครอบงำจิตจะเริ่มส่งในและเกิดพฤติกรรมทางใจขึ้นก่อนแล้วอาจเกิดพฤติกรรมทางกายและวาจาตามมาเพื่อพยายามตอบสนองความอยากนั้นผู้ปฏิบัติที่ตามรู้จิตอยู่เนืองๆจะสังเกตพบว่าพฤติกรรมทางใจ หรือการคิดนึกปรุงแต่งทางใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่มีวันจบสิ้นนั้นเองเป็นภาระหนักและจิตที่มีภาระย่อมมีความเครียดความหนักหรือความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมีพฤติกรรมทางใจและทางกายทางวาจาแล้วหากจิตยังไม่ได้รับอารมณ์ที่สมอยากจิตก็ทุรนทุรายเพราะความอยากได้บ้างเพราะกลัวจะไม่ได้บ้าง เมื่อได้อารมณ์ที่ต้องการมาแล้วก็กลัวจะสูญเสียไปและถ้าไปได้อารมณ์ที่ไม่ต้องการก็เกิดความทุกข์อีกนี้เป็นกระบวนการเกิดความทุกข์สอนทุกข์กล่าวคือการที่จิตต้องดิ้นรนทำกรรมทางใจด้วยความอยากก็เป็นทุกข์อยู่ชั้นหนึ่งแล้วคล้ายกับคนที่ต้องทำงานหนะักและความไม่สมอยากก็ทำให้จิตเป็นทุกข์ เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งคล้ายกับคนที่อุตสาห์ทางานแทบตายแล้วได้ผลตอบแทนที่ไม่น่าพอใจเมื่อตามรู้จิตมากเข้าก็จะพบทุกข์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งคือพบว่ามีจิตก็ทุกข์เพราะจิตสมดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเช่นมีโคก็ทุกข์เพราะโค มีนาก็ทุกเพราะนาเป็นต้นตราบใดที่ยังยึดว่าจิตเป็นตัวเราก็ยังต้องรักต้องหวงแหนจิตก็ยังต้องทำกรรมเพื่อแสวงหาความสุขหรือหนีความทุกข์ต่อไปอีกพาระในการตอบสนองความต้องการของจิตจึงไม่มีที่สิ้นสุดเพราะตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็อยากนั่นเดี๋ยวก็อยากนี่อยากได้สิ่งนี้ เมื่อได้มาแล้วไม่นานก็เบื่อเกิดไปอยากได้อารมณ์อื่นอีกตัวอารมณ์เองก็ไม่เที่ยงเช่นอุตสาดิ้นรนหาอารมณ์ที่ดีๆมาให้จิตแล้วไม่นานอารมณ์นั้นก็แปรโวนเปลี่ยนไปอีกก็เกิดภาระให้ต้องแสวงหาอารมณ์มาปรนเพลิให้จิตต่อไปอีกดังนั้นตราบใดที่ยังยึดว่าจิตเป็นเราหรือเรามีจิตยังรัก ยังหวงแหนจิตตราบนั้นภาระรุมรังทางใจจะไม่มีวันจบสิ้นได้เลยเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วจิตก็ปล่อยวางจิตความอยากแสวงหาอารมณ์ทั้งหลายเพื่อสนองความพอใจของจิตก็จะดับไปการดิ้นรนแสสายทํากรรมทางใจก็จะหมดไปภาระของจิตก็หมดไปเรียกว่าจิตหมดภาระ หรือจิตเสร็จงานนี้คือนิโรธหรือความสิ้นทุกขทางใจเพราะสิ้นตัณหาและนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์พระป่าท่านกล่าวอยู่เสมอว่ารู้ทุ ก, ก็เป็นอันละสมุทยัยถ้าจะกล่าวโดยเปรียบเทียบก็กล่าวได้ว่าจิตนี้เหมือนลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่พ่อแม่ อยากให้ลูกมีความสุขก็พยายามทำงานทุกอย่างเพื่อหาสิ่งที่ดีๆให้กับลูกก่อความเหน็ดเหนื่อยทุกยากอย่างยิ่งต่อมาได้สังเกตพบว่าลูกรักนั้นหาความดีไม่ได้เลยมีแต่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้พ่อแม่อยู่เสมอพ่อแม่ต้องเป็นทุกข์ซ้าซ้อนคือทุกข์เพราะต้องทำงานหนักเพื่อหาสิ่งดีๆให้ลูก และทุกเพราะลูกก่อความเดือดร้อนมาให้เมื่อเป็นเช่นนี้มากเข้าก็เกิดปัญญารู้รวบยอดว่ามีลูกก็ทุกเพราะลูกความรักก็ถดถอยลงความปล่อยวางก็เกิดขึ้นเกิดการตัดหางปล่อยวัดต่อแต่นั้นไปพ่อแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยยากเกินจำเป็น ในการดิ้นรนทำงานเพื่อหาสิ่งที่ดีมาให้ลูกและลูกจะดีหรือเลวจะสุขหรือทุกข์ก็เป็นเรื่องของลูกเองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ในเรื่องลูกของผู้เป็นพ่อแม่เมื่ออ่านเรื่องการตามรู้จิตแล้วก็อยากชวนเพื่อนๆมาลองปฏิบัติดูหลวงปู่ดูลอัตตุโลสอนว่าการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เรื่องยากจะยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเท่านั้นขอเชิญเพื่อนนักปฏิบัติมาลองพิสูจน์คำสอนของท่านเพื่อจะมีพยานยืนยันคำสอนของท่านเพิ่มขึ้นอีกสักหลายๆคน